คือ <c ười> ต้องเท้าความต้องเท้าความเดิมเนาะ <c ười> คือว่าเรื่องของธรรมชาติเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คือธรรมชาติเดิมแท้เนี่ยมันไม่มีปรากฏอะไรเลยนะธรรมชาติเดิมแท้เนี่ยไม่มีอะไรปรากฏเลยนะไม่มีอะไรเกิดมาเลยนะมันเป็นความที่ว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ่า ตรงนี้น่าจะพอจะเข้าใจได้เนาะคําว่าไม่มีอะไรคือไม่มีอะไรปรากฏเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยนะ อ, อแล้วทีนี้ไอ้ธรรมชาติเดิมแท้ตรงนี้นี่เขาเรียกว่ามันเป็นอมะตะธาตุเป็นอมะตะธรรมหมายความว่ามันจะไม่มีสุขไม่มีสุขไม่มีทุกข์เพราะมันไม่ปรากฏอะไรแม้กระทั่งรูปร่างตัวตนนะรูปพันสันฐานก็ไม่มีกิริยาใดๆ ก็ไม่ปรากฏอาการต่างๆก็ไม่ปรากฏความรู้สึกยินดียินไล่ก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นรวมความกันก็คือว่ามันไม่มีอะไรปรากฏเลย อ, อันนี้คือธรรมชาติเดิมแท้นะแต่ทีนี้ความเป็นจริงของธรรมชาติเนี่ยมันก็มีธรรมชาติอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเป็นธรรมชาติที่ปรากฏแล้วเป็นธรรมชาติที่เกิดแล้ว ซึ่งก็มีเกอนกาดไปก็หมายถึงว่าสิ่งที่เห็นทางตาได้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดแล้วเป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วเสียงที่ได้ยินด้วยหูเสียงก็เป็นสิ่งที่เกิดแล้วเป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วรูปรสกลิ่นเสียงนะสิ่งที่กระทบกายรวมถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตในใจพวกนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏแล้ว ทีนี้เมื่อธรรมชาติสองสิ่งเนี่ยมันมีอยู่ก็หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าธรรมชาติแต่และอย่างมันอยู่มันก็เป็นของมันอย่างนั้นนะโดยที่ธรรมชาติสองฝ่ายเนี่ยมันไม่มีไม่มีคนไม่มีสัตว์นะไม่มีคนไม่มีสัตว์มนมันมีแต่ธรรมชาติล้วนๆเลยนะคนสัตว์ไม่มีนะที่มันมีเนี่ยก็เพราะว่าเขาสมมติสิ่งที่เกิดแล้ว สมมติสิ่งที่ปรากฏแล้วว่าอันนี้เรียกว่าคนอันนี้เรียกว่าสัตว์แต่ถ้าไม่ใส่ชื่อคำว่าคนคำว่าสัตว์มันก็คือเป็นธรรมชาติที่เกิดแล้วเป็นธรรมชาติที่ปรากฏแล้วเท่านั้นเองอ่าทีนี้พอเราเห็นภาพอย่างนี้สัตว์แล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อพ้นทุกข์จริงๆก็คือว่าเปลี่ยนความเข้าใจผิดเนี่ยให้มันเป็นเข้าใจถูกความเข้าใจผิดยังไงความเข้าใจผิดว่าอ๋อ เราเกิดมาแล้วนะเราเกิดมาแล้วอันนี้ก็คือเข้าใจผิดถ้าเข้าใจถูกเป็นยังไงเข้าใจถูกก็คือเราไม่ได้เกิดมาเราไม่มีการปรากฏอ่าเพราะสิ่งที่ปรากฏหลวงพ่อก็บอกแล้วว่ามันเป็นแค่ธรรมชาติอ่าพอเป็นอย่างนี้เวลาร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายถ้าเข้าใจผิดก็เข้าใจว่าเราแก่ เราเจ็บแล้วก็เราตายแต่ถ้าเข้าใจถูกเราไม่ได้เกิดมาความแก่เป็นสิ่งที่เกิดแล้วมันเปลี่ยนสภาพไปความเจ็บก็เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นซึ่งมีอยู่จริงอะ่ะสิ่งใดปกสิ่งใดเกิดมันต้องมีความเจ็บอยู่แล้วแล้วก็สุดท้ายที่เาเรียกว่าตายมันก็ไม่ใช่เราตาย แต่เป็นธรรมชาติที่มันเปลี่ยนไปคือมันเคยมีแล้วมันก็หมดไปเพราะนั้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่ได้เป็นเราแต่เป็นธรรมชาติที่มันเกิดแล้วปรากฏแล้วมันเสื่อมไปก็แค่เท่านั้นเองตรงนี้มันอยู่ถึงก็บอกว่ามันอยู่ที่ปัญญานะการพ้นทุกข์ได้เนี่ยต้องพ้นทุกข์ได้เพราะปัญญาคือมีความเห็นถูกต้อง ทีนี้ที่เราคุยธรรมะเนี่ยคุยแล้วคุยเล่าคุยแล้วคุยเล่าก็เพื่ออะไรก็เพื่อให้รู้จักสิ่งที่ไม่ปรากฏอ่าให้รู้จักสิ่งที่ไม่เกิดแล้วก็ให้รู้จักสิ่งที่ปรากฏให้รู้จักสิ่งที่เกิดแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นเนี้ยคือให้รู้แจ้งว่ามันไม่ใช่เราจริงๆเนี่ยโจทย์มันมีอยู่แค่นี้แหละทีนี้จะทำชันไหนจะทำยังไงถึงให้รู้ถึงใจให้เข้าถึงใจว่า เออแท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่มีเราแท้จริงแล้วไม่มีเราอ่าทีนี้แหละมันเป็นเรื่องที่ปัญญาของของผู้คนทั้งหลายที่ศึกษาธรรมะปัญญาก็คือว่าอธิบายแล้วยกตัวอย่างแล้วเข้าใจได้ไหมถ้าเข้าใจไม่ได้ก็ต้องคุยกันต่อนะชาตินี้ไม่เข้าใจก็คุยชาติหน้าชาติหน้าไม่เข้าใจก็คุยกันต่อฟังกันต่อเออ แต่ถ้าผู้มีปัญญามากก็สามารถเข้าใจได้ในชาตินี้ เ, เห็นไหมจะเข้าใจได้เลยในชาตินี้ทีนี้อย่างแนวที่หลวงพ่อนำเสนอแต่ละวันแต่ละครั้งเนี่ยก็คืออะไรอะ่ะก็ให้รู้สิ่งที่กำลังปรากฏตรงเนี้รู้กันได้ยาก ท, ท, ทั้งที่บอกแผนที่ไว้แล้วว่าเออเนาะสิ่งที่ปรากฏเนี่ยมันก็มีเรามาศึกษาเรื่องกายมาศึกษาเรื่องจิตใจ นะกายเนี่ยมันมีอยู่เนี่ยมันปรากฏอยู่ยังเหมือนกับว่าคือถ้าไม่ขาดสติมันก็รู้อยู่ว่ากายมีอยู่เห็นไหมทำไมรู้ว่ามีอยู่ก็เพราะมันปรากฏกายอยู่กายเดินกายนั่งกายนอนก็มีปรากฏอยู่แต่ถ้าไม่มีแต่ธรรมชาติที่ไม่ปรากฏก็ไม่ใช่กายแน่นอนมันเป็นธรรมชาติอีกหนึ่งซึ่งมีอยู่เหมือนกันแต่ไม่ปรากฏแล้วมันก็ไม่ใช่กาย ทีนี้การศึกษาให้รู้เท่าทันก็คือนี่ไงมีสติรู้กายอยู่เนืองเนืองกายเดินกายนั่งกายนอนรู้อยู่ว่ามันมีอยู่แต่ก็ไม่ใช่ว่าโหจดจ่อเพ่งอยู่ให้รู้ตลอดเวลาว่ามันมีอยู่ไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าขณะใดที่รู้ว่ากายมีอยู่ก็ให้พึงใช้ปัญญาว่าไอสิ่งที่มีอยู่เนี่ยเป็นแค่สิ่งที่ปรากฏซึ่งมันไม่ใช่ตัวตนนะมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เรา มันเป็นแค่รับรู้ได้ว่ามันมีอยู่แต่ต่อไปมันก็ดับเป็นช่วงใช่ไม้มตอนไหนที่ไม่รู้มันก็มีเหมือนกับไม่มีแต่พอรู้ขึ้นมาว่ามันมีอยู่อา้าวมันก็ปรากฏเนี่ยมันก็สลับสลับแบบนี้เดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีเพราะนั้นรู้เท่าทันกายการรู้เท่าทันนี่ก็เขาเรียกว่าเพียรหมันระลึกนึกถึงกาย ของตัวเองนี่แหละนึกบ่อยๆนึกบ่อยๆก็จะทำให้รู้ว่ามันมีอยู่แล้วก็มันเสื่อมไปจิตใจก็เหมือนกันนะจิตใจก็คือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนั่นแหละมันก็มีอยู่บางครั้งมีอะไรมีความรู้สึกใช่ไหมอมีความรู้สึกพอใจไม่พอใจก็รู้ว่าไอความพอใจหรือความไม่พอใจมันก็เป็นแค่สิ่งที่ปรากฏนะแล้วมันก็หมดไป แล้วก็มันก็ปรากฏใหม่แล้วก็หมดไปใหม่ปรากฏใหม่แล้วก็หมดไปใหม่เนี่ยมันก็สลับหน้าอย่างนี้เพราะสิ่งใดปรากฏสิ่งนั้นต้องหมดไปใช่ไห ม, มก็เห็นความมีความเกิดความดับของมันทุกอาการทุกกิริยาทีนี้พอเรามาศึกษาเรื่องนี้มันก็ต้องใช้สติอย่างเวลาเราถามปัญหากันเนี่ยลองดูนะเวลาเราถามปัญหานเนี่ยมันจะต้องมีความคิดเกิดขึ้นในใจก่อนส่วนเรายังไม่พูดเนาะ ก่อนจะถามเนี่ยมันมันมันมันพูดมันพูดคิดในใจอยู่แล้วแหละว่าจะถามอะไรตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าความคิดเกิดแล้วปรากฏแล้วต้องมีสติรู้เท่าทันว่าอ๋อมันมีความคิดเกิดแล้วอ่าแล้วก็เราก็ไม่พูดพอเราไม่พูดมันก็ความคิดที่เกิดมันก็ดับไปเดี๋ยวมันก็เกิดเกิดใหม่คืออยากจะถามใหม่แต่เราก็ยังไม่พูดอะไรการที่เราปิดปากเงียบเนี่ย ก็จะทำให้เห็นความคิดที่มันคิดถามในใจอยู่นั่นแหละกำลังเห็นการเกิดอยู่กำลังเห็นกำลังอ่ากลังเห็นมันปรากฏอยู่ก็แล้วก็เมื่อเฝ้าเห็นอยู่อย่างนี้ก็จะเห็นความคิดเนี่ยพอมันคิดปับ๊บมันก็ดับไปแล้วมันก็คิดใหม่แล้วก็ดับใหม่อ่คิดใหม่ดับใหม่คิดใหม่ดับใหม่มันก็จะวนๆอย่างเนี้แต่พอเราถามไปแล้วเนี่ย มันก็ไม่เห็นไม่เห็นสิ่งที่กําลังปรากฏในปัจจุบันคือไม่เห็นตั้งแต่ตอนคิดแล้วล่ะสองไม่เห็นตอนที่กําลังถามคือกําลังพูดกําลังพูดกําลังถามก็ไม่เห็นอีกพอไม่เห็นอีกเนี่ยแสดงว่าเลยป้ายไปหมดแล้วพอป้ายมันจริ ง, รงๆคือให้รู้ตอนที่มันคิดหรือว่าให้รู้ตอนที่ที่กําลังพูดแต่ถ้าไม่เห็นตรงนี้เ rare, นี่เยเขาเรียกว่าหลุดแล้วหลุดแล้วเออก็เรียกว่าจุดกําเนิดของมันเนี่ยจุดกําเนิด ของมันที่ให้ลากยาวก็คือว่าไม่เห็นตอนที่มันคิดพอไม่เห็นที่มันคิดมันก็คิดเอาคิดเอาคิดเอาคิดเอาเนี่ยยาวเป็นขบวนรถไฟแล้วแต่ถ้าเห็นมันพอมันก่อตัวคิดปั๊บเห็นนี่ถ้่ากับว่าเห็นหัวขบวนแล้วก็มันก็หัวขบวนก็ดับไปท้ายขบวนก็ไม่มีแล้วเวลาถามก็เหมือนกันเนาะเวลาถามเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นคําถามไม่เห็นตัวเองกําลังถามอันเนี้ยเขาเรียกว่ามันมีหัวขบวนแล้ว แต่พอยังไม่เห็นอีกมันก็ถามยาวถามถามถามถามก็ยังไม่เห็นหัวขบวนเลยมันก็ลากลากไอ้ตู้อื่นๆมาด้วยยาวเหยียดเลยยาวจนกระทั่งว่าเห็นไม่ได้จนกว่ามีคนกระตุกบอกว่าอเนี่ยรู้ไหมเมื่อกี้เนี่ยกำลังถามกำลังคิดพอมีคนกระตุกให้ปั๊บมันก็จะนึกออกว่าเออใช่มีการถามเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยรู้แค่ปัจจุบันขณะที่กาลังคิดหรือกาลังถาม คำตอบเนี่ยมันอยู่ปลายขบวนหมดเลยถึงจะรู้คําตอบมันก็ดับทุกไม่ได้เพราะเห็นว่ามันเป็นความรู้ของคนอื่นคือคนอื่นบอกให้เราฟังแต่ถ้าความรู้เป็นปัจจตังความรู้ของผู้ปฏิบัติเองเนี่ยก็คือรู้อะไรอะ่ะก็รู้สภาพธรรมะที่กําลังคิดกําลังพูดเนี่ยรู้ในปัจจุบันและก็จะเห็นความเกิดดับของมันพอเห็นความเกิดดับแล้วมันก็คือมันจบที่เกิดที่ดับเนี่ยคือก็เรียกว่าเห็นไตรลักษณ์ เพราะนั้นการเห็นใจรักนี่คือเห็นที่ในเนื้อในตัวของเรานี่แหละเออเห็นความคิดเกิดเห็นความคิดดับเห็นการพูดเห็นการหยุดพูดเห็นการพูดเห็นการหยุดพูดเห็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการพูดเนี่ยก็พูดได้ถามได้แต่หัวใจของมันคือรู้เท่าทันขณะที่กําลังเนี่ยกำลังกำลังพูดกําลังคิดเนี่ยธรรมะมันอยู่ที่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ในตําราหรือมันไม่ได้อยู่ ที่คนอื่นไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเพียงแต่บอกบอกทางบอกเราว่าเออวิธีออกจากทุกนะคือรู้ตัวที่กําลังพูดกําลังคิดอ่แล้วก็ที่เป็นขณะปัจจุบันทีนี้ฮนะพอได้หลักการอย่างนี้แล้วก็คือเอาไปปฏิบัติคือไปฝึกฝนทีนี้เวลาฝึกฝนเนี่ยมันก็มีข้อผิดพลาดอีกมากมายก็คือว่าเอาเราเอาตัวเราไปดูเอาตัวเราไปรู้ เอาตัวเราไปเฝ้าอเอาตัวเราไปสังเกตไอ้ตรงนี้ก็ยังผิดอยู่เพราะคําว่ารู้สึกตัวเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของสติมันไม่ใช่เรื่องของเราคือสติมันระลึกได้ขึ้นมาแต่ถ้าปฏิบัติผิดคือเราเนี่ยเป็นผู้เขี่ยวเข็นที่จะให้ระลึกได้ด้วยตัวเราเองแล้วมันจะเครียดแล้วมันจะเหนื่อย อ, อก็เลยเมื่อปฏิบัติเยอะๆก็จะรู้เลยว่าอ้าว ที่ฝึกมาทั้งหมดเนี่ยมันเอาตัวเราไปฝึกหมดเลยมันเอาตัวเราไปฝึกแต่ถ้าไม่เอาตัวเราไปฝึกคือเข้าใจถึงมันรู้เข้าใจถึงการรับรู้ของมันเองตรงนั้นจะเข้าใจเลยว่าอ๋อการที่มันรับรู้ด้วยตัวมันเองอันนั้นแหละไม่ใช่เรารู้มันเป็นเรื่องของสติตามธรรมชาติที่ที่รู้ที่เห็นอยู่ เพราะนั้นเนี่ยจุดผิดพลาดเนี่ยมันเยอะมากแต่อย่างไงก็ตามมันก็ต้องผิดก่อนจะข้ามกระโดดไปให้ถูกเลยเป็นไปไม่ได้มันจะต้องผิดเมื่อผิดแล้วเนี่ยต่อไปมันรู้ว่าอ๋อไอรู้แบบนี้มันยังผิดแล้วมันก็จะรู้จักอีกรู้จักโดยตนเองนี่แหละว่าไอรู้ถูกเนี่ยคือแบบไหนเออแล้วพอรู้จักรู้ถูกเสร็จแล้วมันก็เข้าใจเลยว่าคราวใดที่รู้ผิดมันก็รู้ข่าวใดที่รู้ถูกมันก็รู้ ออพอรู้อย่างนี้เสร็จมันก็โอเคละเดินทางด้วยตนเองได้เป็นที่พึ่งของตนเองได้ไม่ต้องพึ่งครูบาอาจารย์แล้วมาก็เรียกว่าว่ายน้ําเป็นก็คือว่ายน้ําไปเลยไม่ต้องมีคนมาบอกมาสอนแล้วคือรู้ไปเลยรู้ไปเลยนะจริงจริงก็เนี่ยที่หลวงพ่อพูดมาก็เพื่อให้เห็นโครงสร้างของการปฏิบัติธรรมสู่ความเบิ่นทุกข์คืออย่างนี้ว่าความไม่ปรากฏความไม่เกิดเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วมีอยู่ก่อนมีอยู่ก่อนเกิด ส่วนสิ่งที่เกิดสิ่งที่ปรากฏมันก็ผุดมาจากหรือว่ามันมันเกิดมาจากไอความไม่ปรากฏนั่นแหละพอเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเพราะนั้นธรรมชาติก็มีสองสิ่งนี้แล้วก็ให้ดูให้รู้ให้เห็นนะให้ดูให้รู้ให้เห็นแล้วก็จะพ้นทุกข์ได้ทำไมพ้นทุกข์ได้เพราะรู้ว่าไอที่ไม่เกิดไม่ดับก็ไม่ใช่เราไอที่เกิดดับก็ไม่ใช่เราแล้วไอที่รู้ สิ่งเกิดดับก็ไม่ใช่เรารวมแล้วคือไม่มีเราเลยเพราะฉะนั้นมันจะจบตรงที่ไม่มีเราเมื่อไม่มีเราใครจะไปยึดอะไรได้ใช่ไมใครจะไปยึดสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับก็ไม่มีผู้ยึดแล้วก็ถ้าไม่มีเมื่อไม่มีผู้ยึดใครหล่ะจะไปยึดสิ่งเกิดดับก็ไม่มีรวมแล้วก็คือไม่มีผู้ไม่มีผู้ยึดอะไรเลยคือมันเป็นว่างเป็นสุญญตาเป็นความว่างไปเลยก็คือพ้นทุกตรงที่ รู้แจ้งในสัจธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับแล ะ, ะธรรมชาติที่ ด, ดับโดยที่ไม่ตัวตนหลงเข้าไปยึดถือแค่นี้มันก็พ้นทุก์สิ้นทุก์ได้นนอย่างที่คุยเมื่อวานเนี่ยจริงๆอะ่ะหลวงพ่อนี่ก็เห็นช่องโว่เยอะนะว่าช่องโว่อยังไงก็หมายความว่าผู้ผู้ที่ถามเนี่ยก็ลืมตัว นะผู้ถามก็ลืมตัวหมายความว่าไม่รู้ตัวขณะที่ที่กําลังถามแล้วหลวงพ่อก็คือใ ห, ให้ถามได้ไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคุยสนทนานะเพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่ให้ถามคือให้ถามได้ถามได้ทุกอย่างแต่หลวงพ่อเนี่ยกระตุกคือกลับมาชี้ให้เห็นว่าขณะที่ถามเนี่ยรู้ตัวไหมว่ากําลังถามอยู่เพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือต้องมีสติรู้ตัวในปัจจุบันเขาเรียกว่า กำลังทําอะไรก็ให้รู้กําลังพูดก็ให้รู้กําลังคิดก็ให้รู้ก็หมายถึงว่าสามอย่างเนี้ยให้รู้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อยู่นะเช่นนั่งเงียบเงียบอยู่นะไม่ถามไม่อะไรเลยไม่ทําอะไรเลยแต่เห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นในใจมันคิดมันอยากมันคิดจะถามมันคิดแล้วก็สงสัยให้เห็นตรงนั้นเลยอืมให้เห็นเห็นที่มันเกิดขึ้นในใจนั่นแหละมันมันพูดคนเดียวมันบ่นคนเดียวมันมีภาควิจารณ์ เห็นตรงนั้นอ่าแต่ทีนี้เมื่อเห็นตรงนี้แล้วแต่ถ้าอยากถามจริงๆเพื่ อ, อทบทวนว่าเออเข้าใจถูกไหมอะไรถูกไหมก็ก็ถามแต่ขณะที่ถามเนี่ยต้องรู้ว่าอ๋อตอนนี้กำลังพูดแล้วกำลังพูดแล้วอ่าแล้วก็เมื่อรู้ว่ากำลังพูดทีนี้พอเราหยุดพูดมันก็เห็นได้ว่าเออหยุดแล้วทีนี้ก็รอฟังว่าพูดตอบเขาจะตอบอยังไง ทีนี้ระหว่างฟังผู้ตอบระหว่างฟังเมื่อมีผู้ตอบเข้าอธิบายก็ฟังไประหว่างฟังก็มีการพิจารณาเห็นไหมมันก็จะมีตัวพิจารณาก็คือตัวเรานั่นแหละเป็นผู้พิจารณาตามพอพิจารณาเสร็จแล้วอา้าวพอเขาพูดจบเสร็จแล้วมันก็จะอาจจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นเช่นรู้สึกว่าโอ้เข้าใจมากเลยเห็นไหมมันก็จะมีความรู้สึก เป็นความรู้สึกว่าเข้าใจมากเลยหรือพอเขาตอบมามันรู้สึกว่างงมากไม่เข้าใจแถมคุณเคืองอีกถามอย่างตอบอย่างแบบคุณเครืองไม่พอใจเนี่ยอาการเหล่านี้ที่หลวงพ่อยกตัวอย่างเนี่ยทั้งแต่การคิดการทำการพูดรวมถึงอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตในใจเนี่ยต้องเหมือนกับว่ามีสติเห็นอยู่ว่าเออ ภายในตัวเองเนี่ยมันมีปฏิกิริยาอะไรมันมีอาการอย่างไรใช่ไมพอใจก็รู้ได้ว่าแหมตอบอย่างนี้รู้สึกขัดใจมากไม่พอใจก็รู้หรือว่าเขาตอบมารู้สึกพอใจมากโอ้รู้สึกมีความสุขมากเลยอะไรเนี่ยก็ให้รู้ถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตในใจนะเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือต้องมีความละเอียดอย่างที่หลวงพ่อแนะนาเนี่ยก็คือว่า เพียงรู้กายใจของตัวเองว่ามันมีปฏิกิยาอะไรมันมีอาการอย่างไรมันเป็นอย่างไงก็รับรู้มันเพียงแต่รู้นะเพียงแต่รู้ไม่ได้กดไม่ได้ห้ามเช่นอาการถูกใจก็รู้ว่าถูกใจอาการไม่ถูกใจก็รู้ว่าไม่ถูกใจขัดใจก็รู้ว่าขัดใจนะสิ่งเหล่านั้นะมันเป็นสิ่งที่เกิดเป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วแล้วสิ่งนี้แหละมันก็ต้องดับไปในที่สุด เห็นสิ่งนี้ก็เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดการพลากออกเหมือนกับว่าเห็นก็เพื่อให้หลุดออกไปจากสภาวะที่ถูกเห็นนั้นหลุดยังไงก็การหลุดก็คือว่าเห็นสิ่งนั้นเกิดเห็นสิ่งนั้นดับแต่สิ่งเกิดดับเนี่ยมันเป็นสิ่งถูกเห็นแต่ธรรมชาติเห็นเนี่ยที่เรียกว่าสติเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่หลุดเป็นธรรมชาติที่หลุดออกมาเห็นออกมาดูมันจึง เป็นสภาวะธรรมะคนละอย่างกันสิ่งถูกรู้ก็เกิดแล้วดับไปแต่ตัวสติที่เป็นผู้เห็นผู้รู้เนี่ยมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งก็คอยดูคอยรู้อยู่แล้วเมื่อเป็นอย่างเนี้ยเมื่อเข้าใจมากๆจะรู้เลยว่าโอ้ไอตัวสติไอตัวรู้นี่เนาะมันก็ได้ทำหน้าที่ได้แต่รู้รู้สิ่งเกิดรู้สิ่งดับอ่าอย่างน้อยก็ทำให้เข้าใจในเรื่องของพัตรลรักได้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับ แล้วสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนนะสิ่งใดดับสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนคือไม่ใช่เราตรงนี้มันจะพัฒนาถึงขั้นที่ทำให้รู้จักว่าไม่ใช่เราไม่มีเราในสิ่งที่เกิดในสิ่งที่ดับอ่าทีนี้เมื่อฝึอกต่อไปอีกก็จะรู้เลยว่าแม้กระทั่งตัวสติเองมันก็ยังเกิดดับได้เหมือนกันบางทีมันขาดสติบางทีมันมีสติก็ยังเกิดดับพอรู้เป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็รู้ว่าสติก็ไม่เที่ยง อา้าวเมื่อสติไม่เที่ยงสติก็ก็เป็นสังขารเกิดดับสติก็ไม่ใช่เราอ่ะมันเริ่มรู้แล้วว่าอา้าวสติก็ไม่ใช่เราเนี่ยตรงนี้คล้ายๆว่าสิ่งถูกรู้ก็ไม่ใช่เราสติที่ระลึกรู้ที่เป็นผู้รู้ก็ไม่ใช่เราแล้วเราอยู่ไหนคราวนี้ก็เราไม่มีไง <c oughs> ก็เราไม่มีพอเราไม่มีเสร็จแล้วก็จะรู้ว่าอา้าวนี่เรียนเรียนธรรมะ ที่เรียนไปเรียนมาเนี่ยก็เพื่อให้เกิดปัญญารู้ว่ามีแค่สิ่งเกิดสิ่งดับแล้วก็สุดท้ายสิ่งเกิดสิ่งดับก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เรานี่มันมันเส้นทางเดินมันก็ต้องไปอย่างนี้เนาะแต่ถ้าเราไม่มีการพิจารณาไม่ได้สังเกตมันก็แบบมันไม่มันไม่ละเอียดไงพอไม่ละเอียดเสร็จมันก็มันก็อาจจะรู้ในสิ่งที่ไม่รู้ก็ได้แต่ถ้าฝึกไปอย่างเนี้ยมันก็จะรู้มันจะรู้คือมันจะรู้ยิ่งขึ้นไปรู้ยิ่งคือ รู้มากขึ้นกว่าเก่ารู้มากขึ้นกว่าเก่าเนี่ยถ้าถ้าสมมติหลวงพ่อไม่อธิบายแบบเนี้ยใครหล่ะจะมารู้ว่าตัวเองกําลังคิดตัวเองกําลังพูดตัวเองกําลังกระทําหรือในในจิตในใจ ม, นมันมีอาการอย่างไรถ้าไม่ชี้บอกแบบเนี้มันรู้เองไม่ได้ไงเนี่ยเรื่องเนี้พระพุทธเจ้าจึงมาชี้บอกอย่างอย่างในพระสูตรมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยท่านก็ชี้บอกหมดเลยท่านบอกว่าเมื่อเดินเมื่อเดินก็ให้รู้ว่าเราเดิน เมื่อนั่งก็ให้รู้ว่าเรานั่งเมื่อนอนก็ให้รู้ว่าเรานอนเมื่อยือนก็ให้รู้ว่าเรายืนเห็นไหมท่านชี้บอกเลยคือให้รู้ตัวเรานั่นแหละว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อันนี้เป็นหลักพื้นพื้นหลักพื้นพื้นมากที่จะต้องฝึกเพราะอะไรมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เริ่มต้นจากการฝึกสติในอิริยาบถของกายนะ แต่อาเริ่มต้นนี้แหละเมื่อฝึกแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะลืมนะพอมันรู้แล้วเนี่ยต่อไปก็ยังรู้อยู่ถ้ายังไม่ตายมันจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็รู้แล้วมันรู้อย่างธรรมชาติด้วยเพราะว่าไม่ต้องกําหนดรู้เวลาเดินเวลาร่างกายเคลื่อนไหวมันก็จะรู้ขึ้นมาแต่ตอนตอนฝึกเนี่ยมันเหมือนกับว่าโอเคเอาตัวเรามาฝึกสักหน่อยหนึ่งก่อนแต่เมื่อฝึกมากๆมันจะรู้เลยว่าไอ้ตัวเราที่เป็นผู้ฝึกเนี่ยแท้จริงมันก็เป็นสังขารเป็นสิ่งถูกรู้เหมือนกัน ก็มี ม, มีมีสนทนากันนะครับในในเรื่องประมาณตัวรู้ใช่ไหมครับทีนี้เรื่องของกายที่ที่เรารู้เราก็คือมันเป็นสิ่งที่เรามองเห็นว่ามีตัวตนสัมผัสดได้อะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้เออบางทีคำถามนี้ผมก็ตอบไม่ได้ก็คือในตัวรู้อะครับหมายถึงว่าในเขาจะถามเรื่องของที่อยู่ของตัวรู้อะครับ ว่าเอ๊ะมันอยู่ที่ไหนยังไงอะไรเงี้ยครับอย่าง น, างนี้ถ้าเจอลักษณะคําถามแบบนี้ครับ อ, อไม่แน่ใจว่าเราเหมือนว่าจะอธิบายในในความหมายของที่อยู่ของตัวรู้ที่รู้ตัวเราเนี่ยครับยังไงดีครับหลวงพ่อครับเออพูดถึงตัวรู้เนาะจริงๆมันก็มีตั้งอันนี้หลวงพ่อพูดเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเชิงทฤษฎีก่อนเนาะ ตัวรู้เนี่ยมันมีรู้ตั้งแต่รู้ทางหูเนาะเช่นหูได้ยินเสียงอันนี้เขาก็เรียกว่ารู้ตามองเห็นรูปนะตามองเห็นอะไรการเห็นเนี่ยก็ถือว่าเป็นรู้เหมือนกันแล้วก็การได้ยินได้ยินเสียงนะมีเสียงดังแล้วได้ยินอย่างนี้เขาก็เรียกว่ารู้เหมือนกันนะอันนี้คือเรื่องรู้เขาเรียกว่าเป็นรู้เป็นการรู้ของวิญญาณขัน เป็นการรู้ของบิญญาณในขันห้าแล้วก็มันมีรู้อีกรู้หนึ่ง mm. เช่นการที่เราไปอ่านตำราเนาะ mm. ไปอ่านตำรามาเยอะเยอยเยอะะแล้วพอมีคนมาถามอธิบายได้ถูกว่าเออตำราเขาว่าอย่างไงอันนี้มันก็เป็นรู้เหมือนกันแต่รู้อันเนี้ยมันเป็นการรู้ของเกิดจากความจำได้คือได้อ่านอะไรมาแล้วจำได้แล้วเอามาพูดเอามาเล่าเนี่ยอันนี้มันก็เป็นความรู้ชนิดหนึ่ง เหมือนกับเราเรียนเนี่ยเรียนวิชาต่างๆที่เราเข้าโรงเรียนเนาะเราก็ไปท่องไปโน่นก็รู้รู้เออตอบไปทำข้อสอบมันก็ตอบได้ที่ตอบได้เพราะว่ารู้รู้มาจากการจำทีนี้มันมีอีกรู้หนึ่งก็คือรู้ที่ไม่ใช่จากการมองเห็นด้วยตาไม่ใช่รู้ที่เกิดจากการได้ยินด้วยหูไม่ใช่รู้ที่เกิจากกาเ ด, ดกจากการรู้ ด้วยลิ้นไม่ใช่รู้ที่เกิดจากการรับสัมผัสสิ่งที่กระทบกายแล้วก็สุดท้ายคือไม่ใช่รู้เพราะที่มันรู้แบบทางมโนวิญญาณรู้ด้วยทางคือหมายความว่ารวมรวมก็คือว่าเป็นรู้ที่ไม่ใช่รู้ทางอายตนะรู้อันนี้เขาเรียกว่ารู้อย่างพุทธรู้ที่เป็นการที่รู้จริงนะ เป็นการที่รู้จริงรู้แจ้งรู้แล้วพ้นทุกรู้แล้วไม่ติดยึดอะไรเลยนะเป็นถ้าภาษาขยายความก็คือว่าเป็นจิตที่สะอาดสว่างส ง, งบบริสุทธิ์นี่แหละอันเนี้ยที่เรียกว่าเป็นจิตพุท ธ, ธะก็คือเป็นจิตที่ไม่มีกิเลสไม่มีอะไรทำอะไรกับรู้นี้ได้ทีนี้เมื่อกี้ที่ถามเรื่องรู้หลวงพ่อก็พูดถึงนะมรู้แต่ทีนี้ว่าเออพูดถึงมาเรื่องรู้ตัวเรา ทีนี้มันเป็นอย่างนี้คือตัวเราเนี่ยนะหลวงพ่อพูดในลักษณะว่าตัวเราเนี่ยคือประกอบด้วยขันห้าขันเนาะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันมาประกอบกันก็สิ่งที่เห็นด้วยตาก็คือรูปกายนะแต่จริงๆอ่ะรูปกายถ้ามันละเอียดเนี่ยจริงๆมันประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมซึ่งอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาแต่อาจจะสัมผัส ด, ด้วยด้วยอายตนะอย่างอื่นเช่นความร้อนอย่างเนี้ยมันต้องสัมผัสด้วย ต้องรับรู้ด้วยวิญญาณเออประมาณนี้เพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยที่เห็นหยาบหยานะมันก็เป็นเป็นขันหนึ่งก็คือเรียกว่ารูปส่วนเวทนานะก็เป็นความรู้สึกสุขทุกข์ความสบายไม่สบายความรู้สึกเฉยเฉยนะสัญญาคือความจําได้สังขารคือความคิดวิญญาณคืออย่างที่พูดแล้วคือรับรู้ทางอายตนะแต่เมื่อมันมารวมกันมันก็เป็นกลุ่มก้อนขึ้นมาก็ดู ก็ เ, เรียกสิ่งนี้ว่าคือเร า, าเห็นไหมคือเราแต่มันมีอีกรู้หนึ่งที่มารู้เราไอธรรมชาติที่มารู้เรานี่แหละอันนี้เป็นธรรมชาติที่พ้นไปจากตัวเราเป็นธรรมชาติที่พ้นไปจากขันห้าซึ่งเป็นธรรมชาติอย่างที่สามที่หลวงพ่อพูดมาเมื่อกี้คือมันรู้โดยไม่อาศัยอายตนะคือมันรู้โดยที่ว่าไม่ต้องอาศัยหูตาจมูกลิ้นกายใจมารู้เรา แต่เป็นธรรมชาติที่รู้ได้เลยโดยที่ตัวตัวรู้เนี่ยตัวรู้ที่มันไม่มีตัวนะมันไม่มีหูไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีอะไรทั้งหมดเลยแต่เป็นธรรมชาติที่ที่มีอยู่จริงแล้วธรรมชาตินี้ยเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดอ่าเขาเรียกว่าพ้นความเกิดพ้นแก่ความพ้นจากความเกิดแล้วพ้นจากความตายเลยเป็นธรรมชาติที่สัจธรรมสูงสุดทีนี้ รู้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ตั้งเพราะมันไม่ปรากฏตัวไม่ไม่มีใครที่จะรู้ได้เลยว่ามันตั้งอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ไหนแต่เพียงเข้าใจได้อย่างเดียวว่าธรรมชาตินี้มีอยู่ถ้าธรรมชาตินี้ไม่มีอยู่แล้วมันจะรู้ตัวเราได้อย่างไรอ่าทีนี้หลวงพ่อก็เคยใช้อันนี้เพื่อเพื่ออะไรเพื่อเพื่อให้ เกิดผู้ปฏิบัติเนี่ยพอที่จะเข้าใจได้ว่าธรรมชาตินี้มีอยู่จริงมีอยู่จริงก็โดยเอาอะไรก็เอาตัวเราเนี่ยที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยเช่นตัวเราเนี่ยนั่งอยู่ในในห้องว่างนะตัวเรานั่งอยู่ในห้องว่างเนี่ยเราลองเทียบกันอย่างนี้นะสมมติว่าเอาเอาตัวอย่างที่ที่หลวงพ่อเคยเคยให้ให้ญาติโยมเขาสแสดงแล้วแล้วมาเล่าให้ฟังเราบอกเอ้าโยม โยมเข้าไปดูซิว่าในห้องมีใครอยู่บ้างโยมเนี่ยเข้ามาครั้งแรกนะเข้ามาในห้องครั้งแรกบอกว่าในห้องไม่มีใครอยู่เลยเป็นห้องว่างเปล่ า, าอ่ะเป็นห้องว่างไม่มีใครอยู่เราก็อ๋อทั้งนั้นเดี๋ยวโยมเข้าไปใหม่ดูซิว่าดูใหม่นะว่ามันมีใครอยู่ในห้องบ้างพอโยมเข้ามาครั้งที่สองปรากฏว่าโยมเห็นตัวเองคือรู้ตัวเองว่าตัวเองอยู่ในห้อง ตรงนี้แหละเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าตอนที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยทั้งๆ ท, ที่ตัวเองก็เข้ามาเหมือนกันแต่ไม่รู้ตัวเองเหตุท <1978. S 2> ี่ไม่รู้ตัวเองเพราะอะไรเพราะเอาตัวเองเนี่ยไปรู้ว่าในห้องนี้มีคนอื่นไหมก็หมายความว่าสมจิตเอาตัวเองเนี่ยไปดูไปดูในห้องดูแต่อย่างอื่นแต่ไม่ย้อนกลับมาที่ตัวเองก็เลยไม่รู้ตัวเองเห็นไหมก็เลยไม่ ไม่อาจที่จะเข้าใจในเรื่องไอธรรมชาติมารู้ตัวเองได้เพราะตอนเข้าไปครั้งแรกคือไม่รู้ตัวเองแต่พอเข้าไปครั้งที่สองเขาบอกว่าอ๋อก็มีในห้องว่างก็มีตัวเราอยู่คนหนึ่งตรงนี้แหละมันจะมีตัวที่มารู้เราเห็นไหมมันจะต่างกับครั้งแรกครั้งแรกคือไม่รู้เรามีแต่เรารู้เรารู้ว่าไม่มีใครอยู่ในห้องแต่พอเข้ามาข้างหลัง มีการรู้เราขึ้นมาว่ามีเราอยู่ในห้องคนหนึ่งอย่างเนี้ยเขาเรียกว่ารู้เราตรงเนี้ยมันต่างกันไหมละ่ะว่าครั้งแรกไม่มีรู้ไม่มีรู้เรามีแต่เรารู้แต่ครั้งที่สองมีการรู้เราไม่ใช่ว่ามีแต่เรารู้อย่างอื่นแต่รู้เราด้วยไอรู้เราตรงนี้แหละเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความรู้เป็นรู้ที่ตัวที่สามคือรู้ที่ไม่ปรากฏตัวผู้รู้ รู้นี้มีอยู่แต่ไม่อาจจะบอกว่าเ อ, อไอธรรมชาติที่รู้เราอยู่ที่ไหนเพราะเรามองไม่เห็นเขาว่าเขาอยู่ที่ไหนเราจะหาก็หาไม่เจอหาไม่พบแต่สิ่งที่พอจะบอกได้อย่างเดียวก็คือมันมีก็แล้วกันถ้าไม่มีมันจะรู้ได้ไงว่ามีเราเข้าไปอยู่ในห้องตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าต้องลองไปฝึกดูถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วต่อไปมันจะง่ายมากเลย เพราะว่ามันได้ร่องได้ช่องทางแล้วในการที่จะรู้เราอ่ามันได้มันคือว่ามันมันพบร่องแล้วว่าอ๋อการรู้เราคือกลับมารู้ตัวกลับมารู้ตัวเราแบบเนี้ยทีนี้เมื่อเมื่อได้ช่องทางหัดรู้เราเป็นแล้วเนี่ยนะต่อไปไม่ยากแล้วจะเดินจะนั่งจะนอนอยู่ที่ไหนมันก็รู้เราหมดแหละคราวนี้ยจะเดินระหว่างเดินอยู่ในทางเนี่ยนะบนเดินบนถนนก็ตามมันก็รู้เราเราเดินในคนหมู่มาก นอกจากจะรู้คนอื่นแล้วเนี่ยว่าเออมีคนเยอะแยะแต่มันก็รู้เราว่ามีตัวเราอยู่ในนี้ด้วยเพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยจริงๆมันก็เลยเป็นแค่สิ่งถูกรู้แต่ธรรมชาติที่รู้เราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอีกสิ่งหนึ่งเป็นความไม่ปรากฏทีนี้โยมลองดูนะว่าไอ้ตัวเราเป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วก็สุดท้ายตัวเราก็ตายใช่ไหมต้องแตกสลายหมดก็เป็นความหมดไปแต่ ธรรมชาติที่รู้เราอะมันไม่เคยปรากฏมันจึงไม่มีและก็ไม่หมดจึงเป็นอมะตะธรรมไงเออทีนี้ถ้าเข้าใจตรงเนี้เราจะรู้เลยว่าปฏิบัติธรรมสู่ความเออให้ถึงสัจธรรมสูงสุดก็คือให้พบธรรมชาติเหมือนกับว่าให้รู้จักว่าธรรมชาติที่รู้เรานั่นแหละมีอยู่แต่เป็นสัจธรรมแท้คือเป็นสัจธรรมที่ไม่เกิดเป็นสัจธรรมที่ไม่ปรากฏส่วนตัวเรามันเป็น เป็นสัจธรรมเหมือนกันแต่เป็นสัจธรรมฝ่ายที่มีการเกิด